ยังไมีอะไรไหมอยังจระถามอะไรไหมอยากค่ะให้ถามก่อนเลยลรอคะอ่าได้คไม่ด้เะเลพะก็หนุมหนู่ก็ดีขึ้นแล้วค่ะหลวพ่อแต่ว่าก็มันก็ยังยังหนีไม่้นเลยค่ะกลับมากลับมาเขากลับมาตามมาตามนิดหน่อย ทำให้จิตหนูกระเพื่อมอยู่อะค่ะยังหยุดไม่ได้สติไม่มีกําลังพอค่ะแต่ว่าคือตั้งแต่มาหาหลวงพ่อครั้งแรกค่ะก็พยายามนั่งสมาธิทุกวันนะคะแต่หนูก็ตอนที่ตอนที่หนีไปได้สักพักหนูก็มีสามารถนั่งได้ดีค่ะแับเหมือนเพิ่งกลับมา เ, เามื่อเมื่อไม่ไม่กี่วันนี้มันก็กลับมากระเพื่อมอีกครั้งพอ่อ เพราะว่าเราประมาทเนี่ยพอปัญหาไม่มีเราก็เลยไม่ <Okay. S 1> ไม่ฝึกซ้อมใจไว้พอไม่ฝึกซ้อมพอเจอปัญหาก็เลยใจก็เลยกับเพิ่มขึ้นมาก็มันพยายามใช้สติฝึกสติไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไปค่ ะ, คะแล้วคือ คเหมือนตอนนี้ค่ะเหมือนเวลาหนูจะเวลาหนูเริ่มนั่งสมาธิใช่ปะพอมันมากับเพื่อนแล้วอ่ะแล้วหนูจะขึ้นอสุภะหนูทําไม่ได้เหมือนตอนเดิมคราวที่แล้วค่ะที่บอกหลวงพ่อคือตอนนั้นทําอสุภะได้ได้ดีเลยค่ะแล้วจิตมันสงบลงไปเลยแต่คือตอนนี้มันมน่แม้กระทั่งนึกมันยังนึกไม่ออกเลยค่ะก็หนูก็ใช้ใช้สติใช้พุโทโธก่อน่ะาในกาย ไ, ไม่ออกก็พุโทโธไปสวดมนต์ไป สร้างกำลังขึ้นมาก่อนพยายามหัดพุดโทโธไปพุโทโธนี้เป็นเหมือนกับยาสามัญประจำบ้านพอปวดท้องปวดอะไรก็เอายาสามัญมากินก่อนอย่างน้อยก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหยุดความคิดก่อนแล้วท่านหญิงม่้นควรจะทำาไงค ะ, รงระเราจะต้องเผชิญก็เฉยเฉย เมันเราเจอฝนตกแดดออกมันจะทำํำยังไงหนีฝนไม่ได้ก็ต้องเปียกก็ปล่อยมันเปียกไปอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับมันไปถ้าเราหลบไม่ได้หลีกไม่ได้แต่เราอย่าไปทําให้มันวุ่นวายมากขึ้นไปด้วยการไปตอบโต้ไปต่อสู้กันถ้าเราหลบได้ก็หลบหลีกไม่ได้ก็ทําใจเฉยๆไป ไม่ต้องไปต่อสู้กันยอมหยุดเย็นอะยอมยอมแพ้ยอมแพ้ค่ะให้ยอมยอมแพ้ไงเขาจะเอาอะไรเราก็เฉยเฉยไปเราไม่เราไม่เราไม่ดึงเราไม่เราไม่ต่อสู้เราไม่เราไม่ต่อต้านเราเฉยเฉยไปเขาจะพูดเขาจะด่าเขาไปล่อาพูดเขาด่าไปเราก็ฟังไป ไม่ฟังก็ได้เดินหนีไปได้ก็เดินหนีไปหนีไม่ได้ก็ดึงใจเข้าข้างในอย่าไปคิดถึงอย่าไปฟังเสียงของพุโทโธพุโทโธไปภายในใจก็ไดแ้แล้วเขาพูดแล้วเราก็จะไม่ไม่เข้าใจหรือไม่ได้ยินแล้วมันก็เป็นมันก็จะไม่มาทำให้ใจเราหวั่นไหว แต่ถ้าเราไปฟังไปตั้งใจฟังคาพูดของเขาทุกคาพูดยิ่งฟังก็เหมือนเอามีดมากรีดหัวใจเข้าใจไหมเห็นเวลาถ้าเราฟังเสียงที่มันเหมือนกับมีดกรีดหัวใจเราก็ต้องเอาหัวใจเราเข้าข้างในอย่าออกไปรับเสียงนั้นเข้าหาพุโทโธไปเข้าด่าไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจ ก็แล้วแต่ถ้าก็ทาอะไรพอใจค่ะฮะดังอะไรก็ท่านสอนอย่างนี้ไงบอกว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปพะเราทุกคนเกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายกัน ถ้าอยู่แบบทุกข์ทรมานอยู่ไปทำไมอยู่แบบมีเวรมีกรรมกันก็ถ้ามันจะต้องตายเพื่อเพื่อให้มันหมดเวรหมดกรรมก็ให้มันตายไปตายไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดใหม่ดีกว่าเก่าแล้วถ้ามันเป็นการกระทบแบบฝั่งตรงข้ามนะคะคือเขาไม่ไดีด่าเราแต่คือเขาแบบไม่ไม่ได้มาเป็นนิกถีแต่มาเป็นโพสิทีฟเราทำให้เราแบบเหมือน เหมือ น, อนจะนตายใจเใช่แบบ ค, ค, ค, คิดคิบสบายเทิดนะคะใจอ่อนคับใจอ่อนก็ต้องคิดถึงอดีตอดีตอันขมขื่นอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยใช่คือไม่ว่าอะไรก็ตามทุกอย่างมันจะต้องมีวันจบสิน้นเขาต่อให้เขาเสนออะไรมาดีขนาดไหน เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้แล้วก็หมดได้เราตอนนี้อยู่โดยที่ไม่มีอะไรกับเขาได้ก็ดีอยู่แล้วเราจะกลับไปหาเรื่องทำไมหาความทุกข์ทำไมไม่มันคามันก็หนีแล้วต่มันตามมา้อง น, นต้องัก็ ไ, ไม่ต้องหนีนก็อยู่เฉ<ๆ>ย เฉยๆไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่รับไม่ไม่รู้ไม่ชี้รถ้าทำใจไม่ได้ก็ต้องฝึกการทำทำใจพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆการนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับการออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆร่างกายเราก็จะมีกำลัง ถ้าเราไม่ออ ก, กถ้าเราไม่นั่งสมาธิใจเราก็จะไม่มีกำลังเวลาเจออะไรแล้วใจเราก็จะหวั่นไหวขึ้นมาใจจะไม่นิ่งเนยงไม่ว่าจะมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์เราต้องฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆฝึกสติอยู่บ่อยๆให้มันมีกำลังเพื่อที่เราจะได้ทําใจให้เฉยได้เวลาที่เราต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ แล้วถ้าเราสอนใจให้ฉลาดได้ยิ่ ง, งดีใหญ่สอนให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องมาเกี่ยวข้องด้วยเนะี่ยมันจะเป็นมันต้องทุกข์อ่ะมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะว่ามันไม่แน่นอนมันดีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มัน จ, จะไม่ดีก็ได้มัน อยู่วันนี้เพิ่งนี้มันอาจจะไปก็ได้เอทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดได้ก็มีการดับได้มีการเจริญได้ก็มีการเสื่อมได้มีการได้มาก็มีการเสียไปได้แค อ, อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่เอาดีกว่ า, อ, าอยู่แบบไม่มีดีกว่า ถ้ามีแล้วเดี๋ยวก็ถ้าเวลามันหมดไปจากเราไปเราก็จะเสียใจในเวลาเปลี่ยนไปวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็อาจจะร้ายขึ้นมาให้ใหมองให้เห็นภาพรวมอย่าไปเห็นเฉพาะภาพที่สวยงามภาพที่สวยงามมันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความสวยงามเป็นความน่าเกลียดได้ คนเราจึงหยา ก, กันได้ไมั้ยถ้ามันไม่เปลี่ยนไม่มีใครยา ก, กันหรอกนะถ้ามันรักกันเหมือนวันแต่งงานนี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีการหยาที่มัมีการหยา ก, ก่ะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากดีกลายเป็นไม่ดีจากการที่เคยเอาอกเอาใจกันก็มาไม่เอาอกเอาใจเอาแต่ใจเขาไม่เอาใจเรา ให้คิดอย่างนี้ให้คิดว่าภาพที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มันไม่เป็นภาพที่ท้าวรมันจะต้องเปลี่ยนไปของทุกอย่างมันจะต้องเสือ่อมเร็วลงไปไม่มีดีขึ้นไปน้อยที่มันจะน้อยครั้งที่มันจะดีขึ้นไปมันดีขึ้นไปก็เพื่อเพื่อที่มันจะเร็วลงมาหรือดีทุกอย่างมันจะต้องกลับมา มันเริ่มจากศูนเดียวมันก็ต้องกลับมาที่ศูนเนี่ยไอ้คิดอย่างนี้แล้วเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันเหมือนเดิมไม่ได้สั่งให้มันดีเหมือนเดิมไม่ได้สั่งให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราเห็นทุกอย่างว่าเป็นไตรักอนิจาไม่เที่ยงอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ อาไปอยากให้เที่ยงอยากควบคุมบังคับเขาขึ้นมาก็จะทุกข์ขึ้นมาหนูเจ็บเราไม่จําหลายทีนหนูโง่ใช่ไมคะเพะว่าหนูไม่เกิดปัญญา <c oughs> ใช่ไหะคะใช่จะว่าอย่งนั้นก็ได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าถ้ารู้ว่าโง่ก็แสดงว่าก็ฉลาดแล้วหล่ะบางคนนี่ไม่รู้ว่าโง่เสียทั้งไปยังคิดว่าตัวเองฉลาดเยอะ <c oughs> ห, หนูรู้แต่หนูไม่ทันมัน ก็เนี่ยสติเราไม่มีกำลังพอเนี่ยตัวใจเรามันอ่อนไปพอเขาเขาเสนออะไรมาดีๆก็เหมือนปลาที่เห็นเหยื่อติดปลายเบ็ดก็คุบเลยตะคุบเหยื่อเลยคุบเหยื่อพอตะคุบไปแล้วก็ไไปเจอต่ขอเบ็ดเกี่ยวปากถ้ามีปัญญาก็บอกว่าไอ้นี่เดี๋ยวเจ็บปากเนี่ยกินเหยื่อ กินอันนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องเจเ็บนะอันนี้ก็เือนกันถ้าเราไปรับอะไรมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องทำให้เราทุกข์สิ่งที่เรารับมาสิ่งที่เราได้มาเพราะมันจะต้องเปลี่ยนไปหรือหมดไปถ้าเราอยู่แบบไม่มีเขาได้แล้วเรื่องอะไรเราต้องไปเอาเขามาด้วยอยู่แบบไม่มีเขาสบายกว่า ้นการที่เราจะอยู่แบบไม่มีเขาได้เราต้องมีความสงบมีความสุขในตัวเราเนี่ยเราจึงต้องพยายามทำสมาธิบ่อยๆเวลเราทำสมาธิแล้วใจเราจะมีความสุขจะทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นตอนนี้เราไม่มีความสุขในตัวเรา เราเลยต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องมาสแสลงเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่มันเป็นพิษเหมือนกินกินอาหารเป็นพิษกินแล้วก็ต้องถ่ายท้องถ้าไม่กินมันก็ไม่ต้องถ่ายท้องแต่ทีนี้เรามันไม่มีความสุขในใจเราเราเลยต้องกิน ถ้าเรามีความสุขในใจเราเราก็ไม่ต้องกินรูปเสียงกินรสเรามากินสมาธิดีกว่าแทานที่จะไปนั่งดูหนังสองชั่วโมงนี่มานั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธดีกว่าวก็เพราะว่าเราไม่ควบคุมมันตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ต้องพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้มันคิด อาจะคิดก็คิดแต่เรื่องที่จำเป็นต้องคิดแต่เรื่องที่ไม่ต้องคิดอย่าไปคิดเรื่องความคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้อต่างๆอย่าไปคิดคิดกับเรื่องที่เราต้องทำเช่นทงานเราต้องใช้ความคิดก็ทำใช้ความคิดไปแต่อย่ามาคิดเพ้อฝันอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ คิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ใจอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาสิ่งที่เราคิดที่เราอยากได้ขึ้นมาพอได้มาแล้วก็ต้องมาเสียใจในภายหลังคิดแล้วมันก็ไม่สงบมันก็เลยหิวถ้าเราหยุดคิดได้มันก็จะสงบมันก็จะไม่หิวไม่อยากแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆอยู่แบบไม่มีอะไรได้ เดี๋ยวเอาทิตย์หน้าค่ะหนูจะไปโกงแกค่ะอ่าไปไปที่ไหนอันไหนไปที่ขอนแกนค่ะขอนแก่นเลยเคยไปมาแล้วล่ะเคยไปมาแล้วยังครั้งนี้ไปครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าว่าไปทุกครั้งกรุงทุกครั้งเลยค่ะหนูจะติดลบออกมาไหมคะไม่หรอกไปก็อย่างน้อยก็ไปสู้กับมันครั้งที่แล้วก็แย่งกันนะคะครั้นี้นี่หนูกลัวมากเลยอะว่ากลัวอะไร วราพอมันฟุ้งหนักเราหนูกลัวรู้สึกว่ากลัวมันจะเป็นอกุศลตอนกลัวจิตจะอกุศลเยอะกว่าอุศลความคิดอย่างนี้มันก็เป็นอกุศลแล้วเพราะว่ามันไม่อยากให้เราไปมันก็แต่กิเลสคู่ต่อสู้เรามันไม่อยากให้เราไปเพราะเวลาไปแล้วมันมันต้องเหนื่อยสู้กับเราเวลาเราไม่ไปนี่มันไม่ต้องเหนื่อยมันสั่งเราใช้เราได้สบาย ใช้เราไปพูดไปดูไปฟังอะไรได้แต่พอเราไปอยู่นันมันใช้เราไม่ได้เพราะเราจะไปอยู่เฉยๆไม่ไปพูดกับใครไม่อะไรกับใครมันก็จะฟุ้งแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีทางออกที่ต่างนี้ไม่ฟุ้งเพราะมันมีทางออกมันอยากจะไปดูก็ไปดูอยากจะไปฟังก็ไปฟังมันก็เลยไม่ฟุ้ง มันจะฟุ้งต่อมันจะฟุ้งต่อเมื่อมันไม่ไม่สามารถทำตามความอยากได้เช่นเช่นเวลาไปอยู่กับโกเองก้านี่มันก็จะทำตามความอยากไม่ได้มันก็จะฟุง้งถ้าเราไม่มีสติกำลังพอที่จะหยุดมันมันก็ฟุง้งมันก็จะบังคับให้เราต้องพยายามใช้สติเพื่อหยุดมันให้ได้พอเราใช้สติแล้วถ้าพยายามเดี๋ยวก็สงบได้ กลับมที่ล ม, ม, ท, ลมที่พุโทโธที่ไม่คิดอะไรเนี่ยพ อ, อ, อคิดแล้วมันก็ฟุ้งเป็นเหมือนไฟไหม้ป่าพอีกคิดแล้วมันก็กระจายยิ่งคิดยิ่งกว้างใหญ่ไพศาลไปเพราะเราไม่ใช้น้ําคือสติดับมันไม่ใช้พุโทโธไม่ใช่ไม่ดังดูนั่งสมาธินั่งก็รู้สึกเกิดดาบเลยไม่อยากจะนั่ง นั่บังคับมันอื่นอัดก็ดีกว่าปล่อยดีกว่าไม่นั่งนั่งคิดอย่างนี้ถ้าไม่นั่งแล้วเดี๋ยวยิ่งพุ้งใหญ่เลยยต้องต้องอดทนต้องพยายามนึงให้มันมานั่งสมาธิให้ได้ต้องพยายามบังคับให้มันบริกรรมพุโทโธพุโทโธให้ได้อย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราควบคุมความคิดได้ใจก็จะสงบ แล้วก็จะเย็นจะสบายไปครั้งหนึ่งนี่เขาให้อยู่ครั้งละสิบวันใช่ไหมก็เจ็ดวันนึกบ้าแต่เราสิบทั้งหมดสิบสองวันนะคะสิบสองวันเลยค่ะแต่ว่าวันที่หนึ่งกับวันที่สิบสองค่ะคือมันไม่เป็นวันค่ะออไม่งามค่ะแต่ถ้าเป็นวันก็คือสิบวันที่ที่ยึดโทรศัพท์พูดกับใครไม่ได้ วันแรกเข้าไปก็ไปลงทะเบียนไปอะไรไปเตรียมตัวเข้าที่พักใช่ก็ไปตอนไหนก็ได้ก็ก่อนห้ามงเยนก่อนห้ามงเย็นส่วนวันสุดท้ายก็คื อ, อ, อคุยพูดคุยได้ละประมาณ6กมงครึ่งหมองเช้าชพอออกมาก็รับประทานอาหารร่วมกันคุยกันได้แล้วก็แยกกันกลับ ก็มีสองระดับใช่ไหมที่ไปปฏิบัติเนี่ยคือคือจะมีระยะสิบวันแล้วก็ระยะยี่สิบวันนะค ะ, ะแล้วก็สามสิบวันหกสิบวันแต่ว่าคือถ้าจะทำยี่สิบวันได้ต้องผ่านคอร์ส1ิบวันกี่ครั้งกี่ครั้งเนี้ยก่อ น, นะคะอ่ะถ้าไม่ได้แต่ว่าหนูไปแค่แค่สิบวันมาหครั้งค่ะยังไม่เคยคิดที่จะไประดับที่สองค่ะ ยังเนี่ยคิดว่ารู้สึกว่าเขาต้องหนูต้องเป็นธรรมบริกรคือเป็นอาสาสมัครก่อนครั้งหนึ่งนะคะจะมีสิทสมัครแบบยี่สิบวันยังยังไม่ได้มีโอกาสเป็นธรรมบริกรเลยค่ะอืมจะเอาท่านทั้นที่หนึ่งไปก่อนค่ะยังรู้สึกว่าแบบไปห้าครั้งก็ยังฟูไมหอวค่ะค่อเพราะว่าส่วนหนึ่งเวลาเรากลับมาเราไม่ทําต่อเนยใช่ค่ะถ้าไม่ทําต่อมันเดี๋ยวมันก็ สิ่งที่เราไปเรียนรู้ ก, กลับมามันก็หายไปหมดมันหายไปหมดเลยเหรอก็หมดทั้งทั้เหมือนกับไม่ได้ไปต้องบังคับให้ไปบ่อยๆได้ไวแล้ ว, วลแล้วเวลากลับมาก็ต้องทำต่อทำเหมือนกับตอนที่เราอยู่ที่นั่นให้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่อเอาจะทาได้ไม่ใช่กลับมาแล้วก็ทิ้งมันไปหมดเลย ไม่ควบคุมใจเลยอย่างนี้มันก็ได้ได้ได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปไปสิบวันได้มาสิบวันเดี๋ยวสิบวันก็หมดไปกลับมาใหม่ๆก็อาจจะดีหน่อยรู้สึกใจเย็นหน่อยสบายหน่อยไม่วุ่นวายถ้าอ่าพอเรากลับไปทําเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็มันก็เป็นเหมือนเดิมแั้วก็ ก็ควรที่จะกลับมาแล้วทําต่อให้ให้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วกลับไปใหม่ฮะกลับไปให้บ่อยดีกว่าถ้ามีเวลาว่างก็ไปกลับไปเรื่อยๆเดือน <ไป S 1> ล, ละครั้งเลยโอ้ย <ไป S 1> <laughs> เดือน<ๆ>เือ <laughs> เดือนละครั้งนี้น่าจะแต่ไปไม่ได้เพราะต้องทํางานอืต้องหางานต้องหางานที่เราสามารถ เลือกวันหยุดทำงานได้ทำงานส่วนตัวไม่เป็นลูกจ้างอย่างนี้ก็เช่นขายประกันเนื่ยอะไรอย่างี้เราก็สามารถที่จะมีวันไป เ, เราอย่าไปหาเงินมากเลยเงินมันไม่ได้ทำให้เราหายทุกข์หรอกเงินกลับทำให้เราทุกข์มากขึ้นเพราะเราจะใช้มันมากขึ้นล้าพอไม่พอใช้มันก็จะทำให้เราทุกข์ อัดใจเงินน้อยๆใช้เท่าที่จําเป็นเงินนี่เอามาไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องปัจจัยสี่ถ้ามีพอแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปมีมากดังนั้นอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของไม่จําเป็นซื้อความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายมันจะทําให้เราไม่มีเวลามาปฏิบัติ ก็เราจะต้องเอาเวลาไปใช้เงินเอาเวลาไปหาเงินหาเงินเสร็จก็มาใช้เงินใช้เงินเสร็จก็ไปหาเงินใหม่มันก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราหาเงินเพียงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่คิดว่ามันจำนวนมันน้อยมากในสัดส่วนของเงินที่เราหามาได้สมมติเราหามาได้ร้อยหนึ่งเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจริงๆแค่สามสิบก็พอ ในเจดสิบ น, นี้เราไปซื้อของไม่จําเป็นคะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกอินกายไปเที่ยวไปอะไรกันเนี่ยถ้าเราตัดการใช้เงินส่วนนี้ไปได้เราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาหาหาเงินมาใช้กับส่วนนี้แล้วก็ไม่เสียเวลากับการไปใช้เงินกับเงินกับส่วนนี้เราก็จะได้เอาเวลาเนี้ย ไปปฏิบัติธรรมได้เช่นเดือนหนึ่งนี้ตอนนี้เราหยุดได้แค่แปดวันใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เราก็เอาไปเที่ยวกันไปทําอะไรกันถ้าเราตัดเที่ยวได้ตัดการใช้เงินไปเที่ยวซื้อในวันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าเรามารวมแปดวันนี้เราก็สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมได้แล้วเงิน เราก็ไม่ต้องใช้มากเพราะถ้าแปดวันนี้เราใช้เงินเจ็ดสิบเปอร์เซนของรายได้ของเรา <c oughs> เราก็ลดการหาทำงานลงได้ <c oughs> เจ็ดสิบเอร์เซ็นตเดือนหนึ่งแทนที่จะทำยี่ยี่สิบสองวันเราก็ลดเหลือแค่สิบวันก็ได้ทำเพียงสิบวันเราจะมีวันว่างยี่สิบวันไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราทำอาชีพอิสระเช่นขายเครื่องสำอางขายอะไร เดีย๋ยวนี้มีคนเขาเด็กสมัยใหม่เขาขายผ่านออนไลน์กันเยอะเลยถามถามว่าทําอะไรก็บอกขายของออนไลน์ขายเครื่องสําอางขายขนมเคก้กขายอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีเวลา <c oughs> อันนี้สําหรับคนที่อยากจะหันเหชีวิตมาทางทธอ่าถ้ายังไม่หันเหก็ต้องอย่างนี้แหละ สามวันดีสี่วันคายไปล้มลุกคุกัานไปนั่นเนอะนะนะก็พอเครียดกลับไปทีหนึ่งพอกลับมาก็หายเครียดสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับไปเครียดใหม่เดี๋ยวก็ลืมลืมลืมเหตุที่ทําให้เราเครียดกลับไปหามันใหมกลับไปหาเบ็ดใหม่เพราะชอบกินเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดอทีนี้ก็ให้มองเฉยเใช่ไหมคะไม่ต้อง หันอยู่เฉยๆหันใครมาเสนออะไรไม่ใครมาชวนไปเที่ยวก็อย่าไปหเห็นอะไรตามร้านก็อย่าไปซื้อมันเดินชอปปิ้งไม่ต้องไปชอปแล้วซื้อแต่ของที่จําเป็นเท่าพอซื้ออาหารเนี่ยเสื้อผ้าก็มีพอแล้วที่อยู่อาศัยก็มีอยู่แล้วอยั้นถ้าเรา เอาแค่ปัจจัยสี่เนี่ยเราจะมีเวลาเหลือเฟือถ้าเราทำเพื่อปัจจัยสี่หาเงินหาทองเพื่อได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเนี่ยเราจะมีเวลาที่เราสามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าเราไม่ไม่สนใจมันเราก็จะไม่อยากไปเพราะถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ไปมันก็ทรมานเอง มันทุกอีกพุโทโธไปนั่งสมาธิไปใจก็ไม่สงบอยากจะกลับบ้านคิดแต่อยากจะกลับบ้านอยู่ไหมก็ไม่รู้ล่ะอาจจะต้องให้มันเข็ดจนจำาให้มันเจ็บจนจนเข็ดมัถมันยังไม่เข็ดมันก็เดี๋ยวก็กลับไปหามันใหม่ ยังเครียดอยู่เลยก็เครียดค่ะดีดีขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วค่ะแต่ก็ก็ยังเครียดอยูเพราะมันยัาดอยที่บอกค่ะถามเรื่องเงินหน่อยนะคะมาได้คือคืออย่างที่พระจันทร์บอกว่าเราควรหาเงินให้แบบเท่าที่พอกินพอใช้ใช่ไหมคะแต่คือแบบหนูชอบคิดว่าเวลาเราหาเงินอ่ะเงินมันกลายเป็น ไพรส์แท็กค่ะเมือนเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของตัวเราในการทำงานเนี่ยค่ะคือมันเหมือนหลุดจากความคิดนี้ไม่ได้หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าหนูหาเพิ่มได้มากขึ้นหนูแบบได้งานที่ได้เงินเดือนมากขึ้นหนูก็จะรู้สึกว่าเออแปลว่าหนูเก่งขึ้ น, นเปล่า ม, มันกลายเป็นไพรส์แท็กของหนูอ่ะคือการเก่งหาเงินนี่มันไม่ดีหรอกเก่งหาเงินสู้เก่งเก่งหาธรรมะดีกว่า เก่ง้างเงินนี่เท่ากับเก่งหาความทุกข์อันนี้เป็นมิจฉาทิจิใช่เพราะเงินนี่มันเป็นทุกข์เดี๋ยวหามาได้แล้วเดี๋ยวเกิดหายไปถูกคนเขาโกงไปหรือเอาหามาแล้วก็ไปใช้แบบสูรุ่ยสุล่ายเดี๋ยวมันก็หมดไปดั <c oughs> นั้นเราต้องใช้เหตุผลในการทำอะไรต่างๆการที่เราทำงานหางเงินก็เพื่อ จะได้มีอะไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราถ้าเราหาได้มากหาก็ถือว่าเราโชคดีดีกว่าอย่าไปคิดว่าเราเก่งแล้วหาได้มากเราก็จะได้เก็บเอาไว้มากแล้วเราจะได้หยุดทำงานหยุดหาได้ไ เ, ดเพื่อเราจะได้เอาเวลาไปหาธรรมะเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ความเครียดได้ นอกจากธรรมะ <c oughs> สิ่งอื่นๆจะทำให้เราเครียดมากขึ้นเครียดกับเงินใช่ไหมพอต้องเกี่ยวข้องกับเงินก็เครียดกับเงินถ้ามีแฟนก็ต้องเครียดกับแฟนมีอะไรก็ต้องเครียดกับสิ่งที่เรามีอย่างเราไม่ต้องการจะมีสิ่งเหล่านี้แต่การที่เราจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีธรรมะเพราะถ้ามีธรรมะมันจะทาให้ใจเราอิ่มใจเราสุข ใจเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆดังนั้นเราควรที่จะพุ่งเป้าไปที่การหาธรรมะไม่ใช่ไปการหาเงินงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไปบวชเลยเพื่อจะได้หาธรรมะได้เต็มที่อย่างเราเมื่อก่อนเราก็หาเงิ น, นเหมือนกันทรงานหาเงินหามาก็ใช้ไป เงินออกปั๊บใช้หมดก็ต้องหาใหม่ใช้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะของที่ใช้เราซื้อนี่มันเยอะแล้วกันออแล้วพอได้มาอ่านหนังสือธรรมสอนให้รู้จักนั่งสมาธิให้หาความสุขจากการนั่งสมาธิพอลองนั่งดูแล้วก็สัมผัสกับความสุขก็เห็นว่าไอ้วิธีนี้มันดีกว่าหาเงิน มันไม่เหนื่อยนั่งเฉยๆสบายจะตายเลยนั่งเฉยๆแล้วก็ควบคุมความคิดให้ได้ให้บังคับใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะนั่งก็นั่งสมาธิก็นั่งดูลมไปดูนมเฉยๆสบายจะตายเลยแล้วใจสงบก็มีความสุข อ, อ, อ่าน น, นนี้อาจจะเป็น เรื่องของกำลังสติของแต่ละคนกนบางคนอาจจะมีสติอยู่มากพอนั่งสมานั่งสมาธิบังคับให้อยู่กับลมก็อยู่กับลมไปไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งเดี๋ยวเดียวจิตก็สงบเย็นสบายมีความสุขมันก็เลยเห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิเห็นคุณค่าของการมีความสงบมันก็เลยอยากจะเอาความสงบ มันก็เลยหาทางว่าทำยังไงการจะมีความสงบก็ต้องมีเวลานั่งสมาธิแล้วในเมืองไทยนี่ก็โชคดีมีมีพร ะ, ะมีสถาบันพุทธศาสนาที่สนับสนุนการนั่งสมาธิใครอยากนั่งสมาธินี่ไปบวชได้เลยแล้วมีคนสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องปัจจัยสี่เห็นไห เอาบวเป็นพ้านีงก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องหาเงินทองมาใช้จ่ายตอนเช้าก็อุ้มบาตรเข้าวัดเข้าหมู่บ้านไปก็ได้อาหารมาแล้วที่อยู่อาใัยก็มีคนสร้างให้อยู่กุติต้ผ้าก็มีคนถวายให้ใส่มีทุกอย่างฟรีหมดเลยปัจจัยสี่ก็เลยมีเวลาที่จะฝึกสมาธิฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ย ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิก็ฝึกสติเช่นเวลาเดินไปเดินมาก็พุโทโธพุโทโธไปหรือก้าวเนอะย่างหนอที่ที่ทางโกงก้าวเวลาเดินเขาให้ดูอะไรเขาเขาส่วนใหญ่คือเขาให้แค่นั่งสมาธิค่ะไม่ให้เดินเลยไม่มีเดินแล้ว ไ, ไ, ไ, ไม่เหมื่อยนั่งสิบวันเนี่ยหนูสำหรับหนูโอเคแล้วค่ะสำหรับนั่งทั้งวันแล้วไม่แล้วไม่มีอยากจะลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดิน ก็มกดกิ่งทุกชั่วโมงพักห้านาทีให้เป็นทำทัวระส่วนตัวแล้วก็กลับมานั่นอค่ะก็ก็อย่างจบชั่วโมงหนึ่งก็จะเดินเดินแล้วก็เดินก็ได้ช่วงที่ไม่นั่งสมาธิก็ต้องมีสติต่าต้องนั่งสมาธิถ้าดูลมก็มีสติอยู่กับลมถ้าไม่นั่งสมาธิลุกขึ้นมาเดินก็ต้องมีสติอยู่กับการเดิน อ, อย่าปล่อยให้ไปคิดนไง เนี่ยถ้ามาบวชได้เนี่ยมันก็จะปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนนะจิตก็สงบสงบแล้วก็มีความสุขสลับกับเวลาจิตฟุ้งเพราะเวลาบางทีไม่มีสติมันก็ฟุ้งขึ้นมาแต่พอรู้ว่าฟุ้งก็รีบกลับไปหาพุโทโธหดึงกลับมานะถ้ามีการทำต่อเนื่องต่อไปมันก็จะไม่ฟุ้งหรือฟุ้งน้อยลงไปได้ตามลำดับต่อไปความฟุ้งก็จะไม่มี จะมีแต่ความสงบตลอดเวลาก็อยู่เป็นพระไปจนวันตายได้ไม่ต้องสึก อ, อยู่สบายไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองไม่ต้องวุ่นวายกับการใช้เงินใช้ทองไม่ต้องวุ่นวายกับการเป็นหนี้เป็นสินเพราะเวลาใช้เรามันมักจะใช้มากกว่าเงินที่เรามีใช้แล้วมันจะติด มันอยากจะใช้อยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ใช้มันมันจะหงุดหงิดนำคาญใจก็เลยใช้ใช้แล้วก็ต้องไปหงุดหงิด่ยวเรื่องเป็นหนี้เป็นสินอีกถ้าไปทางการหาเงินใช้เงินมันก็จะต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาได้ความสุขเป็นพักๆสุขแล้วเดี๋ยวก็เครียดเครียดเพราะเงินไม่พอใช้เอันนี้แหละ ถึงต้องไปปฏิบัติกันฉะนั้นพยายามพยายามลดการเที่ยวให้ได้ลดการใชใ้จ่ายเงินทองที่ไม่ไม่จำเป็นให้ได้แล้วความกดดันที่จะให้เราไปหาเงินทองมันก็จะน้อยลงถ้าใช้มากมันก็ถูกกดดันให้เราต้องหามากหามากก็ก็ลำบากมากกว่าหาน้อยใช่ไหหาน้อยมันง่ายกว่าหามาก แต่กีฬามันก็ฉจาดมันหลอกแล้วว่าถ้าเราหามากเราก็ต้องเก่งใช่แต่มันเก่งแต่มันต้องเหนื่อยหาน้อยมันสบายกับหาว่าไม่เก่งกีฬามันไม่ได้เราดูความจริงว่าคนเก่งนี้ต้องเป็นคนที่อยู่อยู่แบบสบายสบายได้ทำอะไรก็ทำแบบสบายสบาย ถ้าทำอะไรแล้วทำแบบเครียดนี้แสดงว่าไม่เก่งคนเก่งต้องไม่มีความเครียดเพราะความเครียดมันไม่ดีไม่ใช่เหรอความเครียดมันเป็นเป็นตัวทำลายจิตใจเราความสบายใจต่างหากเป็นเป็นประโยชน์เป็นคุณกับเราเน่เราอย่าไปวัดความเก่งด้วยการดูจำนวนเงินทองที่เราหามาได้ ต้องดูที่ปริมาณของความเครียดที่เรากําจัดมันไปได้นะทำทำขนาดดีใช่หรอือเปล่าไม่ดีหรอกดีทําแล้วเครียดทําไปทำ ไ, ไมอทําแล้วต้องไม่เครียดถึงจะดีเนี่ยวิธีทําแล้วไม่เครียดก็คือนั่งสมาธิ่ยถ้านั่งได้ใจสงบแล้วมันจะหายเครียด แล้วต่อไปมันจะไม่เครียดใหม่ๆนันอาจจะเครียดเพราะมันต้องสู้กับความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากนี่มันจะทำให้ใจเครียดอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้าเราใช้สติใช้พุทโธบังคับมันเดี๋ยวมันก็หายเครียดพอความอยากหยุดลงหมดกำลังลงไปความเครียดก็หายไปแล้วเราก็จะนั่งอยู่เฉยๆได้ ไม่วุ่นวายไม่เครียดกับอะไรเวลาไปโกเงก้าใหม่ใหม่วันแรกๆมันจะเครียดกว่าวันวันต่อไปสามวันแรกามวันแรกมันจะเครียดเพราะมันต้องปรับตัวใหม่มันเคยปล่อยให้ใจอยากได้เต็มร้อยอยากอะไรก็ทำตามความอยากไม่มีเบรกมันเลยพอไปอยู่โกเองก้านี่ไม่มันต้องเบรกตลอดเวลาเพราะไม่มีอะไรให้ทำ สามวันแรกมันต้องปรับตัวมันจะเครียดแต่พอผ่านวันที่สาไปแล้วมันเริ่มอยู่ตัวละมันก็ไม่เครียดเครียดน้อยหน่อยนานๆจะโผล่มาสักทีนึงแต่ยังไม่หมดมันยังนานๆโผล่ขึ้นมาหน่อยแล้วพอใกล้จะวันกลับนี้มันจะเริ่มเครคียดขึ้นมาใหม่แล้วไม่อยากกลับ่อยากกลับห ร, หรืออยากจะกลับบางคนก็อยากจะกลับไม่ยอยากกลับเลยก็ดี ทำไมอยู่ต่อไปเลยเขาไม่อยู่นะมันต้องอยู่ที่การควบคุมใจนะกุญแจสำคัญก็คือสตินี่แหละสตินี่จะเป็นตัวควบคุมใจให้ไม่ให้เครียดได้ถ้าเครียดถ้ามีสติก็หยุดความเครียดได้ที่เครียดเพราะมันไม่มีสติไ ม, ไม่รู้ว่ากาลังเครียดเสีด้วยซ้ำไปไม่มีสติคอยเฝ้าดูใจ ใจคอยดูแต่เงินว่าอยู่ยอดเงินว่ารายรับรายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ไปเครียดอยู่กับรายรับรายจ่ายเลยไม่รู้ว่าตัวเองเครียดถ้ามีสติจะคอยดูใจอยู่เลยว่าตอนนี้ใจเครียดหรือใจสงบถ้าใจเครียดก็ใช้สติหยุดมันพุโทโธพุโทโธหยุดมันอังนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหม มาจากไหนกันมาด้วยกันหรือเปล่นี่มาจากบางแครคับางแคบงเทพเลยมากันกี่คนนะกี่มาคามคนกุญยอ่าุยาที่นั่งอยู่ข้างล่างเลยอ่าทไมทาไมถึงต้องมาด้วยล่ะอ่า ก็ฟังได้อยู่ที่ไหนก็ฟังได้เนี่ยนี่ไม่ต้องอใช่ใช่ทำมะจะทาให้เราคิดอย่างมันอยู่ที่ใจเราเลยค่ะความสุขความทุกข์นิใจเราเป็นผู้ผลิตขึ้นม า, ถ, าถ้าเราไม่รู้จากวิธี เราก็จะมักจะไปผลิตความทุกข์มากกว่าผลิตความสุขนะครับคุณาจังพูดกบฟังแล้วฟังอีกค่ะทำธรรมะได้แตไม่ดูอะไรเอได้ฟังธรรมะทีวีอะไรไม่ดูเลยค่ะอ่านะดีดูทีวีแล้วก็จะทำให้คฟุ้งเครียดหรือไม่มีความสุขมีอะไรไหม อยู่ที่ระยะอยู่ที่ระยองใ ช, ใช่ไหมใช่ค่ ะ, ะาาก็มาฟังครรมค่ะพอดีเลื่อนเดียวกันก็เลยรู้พร้อมกันไปหมดรู้พร้อมกันไปหมดอโอ้เดียวกันทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดปัญหาคือความเครียด อ, อยู่อยู่บ้านเราใจมันไหลรวมไปอยู่กับความทุกข์อย่างเดียวค่ะไม่มีสติขึ้นมาเลยใช่เพราะความอยาก เามันติดเป็นนิสัยเราชอบคิดไปในทางความอยากกันเราก็เครียดกับการทำตะหาหาสิ่งที่เราอยากได้ออาได้มาแล้วเดี๋ยวก็เครียดกับการต้องมาดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มาแล้วพอเสียไปก็เครียดกับสิ่งที่เราเสียไปเราก็ต้องเครียดกับการหามาใหม่หามาทดแทนสิ่งที่เราเสียไปใหม่ ชีวิตเรามันอยู่กับการความเครียดเพราะเรามีแต่มีแต่ความอยากอยากได้นะสิ่งนั้นสิ่งนี้ยพออยากแล้วใจก็ไม่เป็นปกตินะใจก็จะเริ่มเครียดกระวนกระ歪กระสับกระส่ายหงุดหงิดลำคานใจจะหายก็ต่อเมื่อได้ทําตามความอยากได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาใหม่ ก็เครียดใหม่วิธีแก่ความเครียดความอยากนี้ต้องฝืนอย่าไปทําตามความอยากอยากได้อะไรก็ไปนั่งสมาธิแทนต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปแต่ถ้าเราไปทําตามความอยากความอยากมันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยเราจะมาแรงกว่าเก่า ตอนต้นได้คืบพอพอได้คืบแล้วทีนี้ก็อยากจะได้ศอกะบได้ศอกแล้วก็อยากจะได้วาสมัยเด็กๆนี้ได้ร้อยบาทก็ดีใ จ, แ ล, จแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยต้องได้สักห้าร้อยถึงจะแล้วพอโตขึ้นมาอีกหน่อยต้องได้สักพันหนึ่งเดี๋ยนี้ได้เซ็ล้านหนึ่งก็ไม่รู้พอเปล่าก็ไม่พอนะ นั่นแหะความอยากมันจะพาให้เราอยากมากขึ้นแล้วพอหาไม่ได้ก็ทุกข์กันเครียดกันหรือได้มาเราต้องเสียมันไปก็เครียดอีกนะี่ถ้าเกิดมีอะไรมาทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะเครียดขึ้นมาทันทีเนะพราะเราไม่เคยคิดเลยว่าของต่างๆที่เราหามาได้เนี่ยวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปหมดนะ มันต้องจากเราไปหมดต้องมีพัดผ้าจากกันเรามาตัวเปล่าๆ เ, เ, เดี๋ยวเวลาไปเราก็ไปตัวเปล่าๆมีใคร อ, อะไรไปได้ไม่เวลาตา ย, ยงงนั่นสิเราทำไมต้องไปหาอะไรไวมากมายทำไมความที่พวกเรานี่สู้พวกนกไม่ได้นกมันฉลาดกว่าเราเองนกมันหาเฉพาะวันต่อวันท่านั้นหากินไปวันต่อวัน มันเลยไม่เครียดเหมือนเราเนี่ยเนี่ยพวกนกพวกสัตว์นี่ไม่มีโรคเครียดเหมือนมนุษย์อ่ะมนุษย์เรานี่มันมีความสามารถที่จะหาได้เยอะหาได้เก่งมันก็เลยเครียดกับสิ่งที่หามาได้พะหามาแล้วก็ต้องดูแลรักษาแล้วเดี๋ยวเวลาต้องจากกันก็ก็เครียดขึ้นมาอีกแทนต้อง พยายามสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าความสุขนี้ไม่ได้อยู่กับการที่เรามีอะไรมากๆความสุขความจริงนั้นอยู่ที่การมีอะไรน้อยๆมีเท่าที่จำเป็นมีปัจจัยสี่มีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเครื่องนุ่งหง่มมียารักษาโรค แล้วก็ไม่ต้องเป็นของหรูหราของวิเศษวิโสอะไรขอให้มันใช้งานได้ก็พอเสื้อผ้าชุดละหัชุดละพันกับชุดละหมื่นมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกันดูแลรักษาร่างกายปกปิดร่างกายคุ้มครองร่างกายได้เหมือนกันแล้วเรื่องอะไรเราไปเสียเงินมากเวลาไปซื้อของเรายังชอบต่อกันไม่ใช่เหรอ ชอบได้ของถูกแต่ทาไมเวลาซื้อเสื้อผ้าชอบไปต่อของแพงของถูกกับไม่ซื้อกันเสื้อผ้าชุดละพันไม่เอาต้องเอาชุดละหมื่นแล้วมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูสวยงามมีมีลูกเล่นลูกล่อใจเยอะถ้าเราไปหลงกับแม้แต่ปัจจัยสี่เราก็ต้องระวังถ้าไม่ระวังมันก็กลายเป็น ความอยากเป็นกินเลสขึ้นมาได้พระมุทธเจ้าสอนให้พระใช้ผ้าแบบไหนระ้ไหผ้าบางสกลุลบางสกุลก็คือผ้าหอ่อศพสมัยก่อนพระนี้ไม่มีใครถวายผ้าจีวรต้องหาผ้ามาตัดมาเย็บกันเองแล้วผ้าที่หาได้ง่ายที่สุดก็คือผ้าหอ่อศพเพราะสมัยก่อนเขาไม่เผาศพ เวลาคนตายเขาก็มัดด้วยผ้าแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา้าพอร่างกายมันผุมันเปื่อยมันเน่าไปผ้ามันก็ผ้ามันยังไม่เน่าก็เอามาซักเอามาย้อมเอามาเย็บเป็นผ้าจีวรสมัยพระมุธเจ้าในพระใช้ผ้าบางสกุลไงมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกับผ้าที่เขาขายตามร้าน มันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันเป็นเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันแต่มันดีตรงที่มันเป็นของฟรีนะผ้าบองสกุลนี่มันฟรีเพระไม่มีรายได้ไม่มีเงินทองก็ต้องอาศัยของที่เขาทิ้งแล้วของที่เขาไม่ใช้แล้วเอามาเอามาใช้ใหม่เอามาดัดเอามารีไซเคิลถ้าใช้ภาษาใหม่ภาษาเอาของเก่ามาทาใหม่ นี่นะปัจจัยสี่แบบนี้มันจะได้ทําให้เราไม่ต้องขวนขวายดิ้นรนหามันมากเกินไปพระต้องการเอาเวลามาปฏิบัติต้องการเอาเวลามาทําใจให้สงบเพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าได้ความสงบแล้วจะมีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเชื<ม>่อไอม ความสุขที่ได้จากความสงบนี้สุขมากกว่าความสุขของมาเรษฐีร้อยล้านแสนล้านสุขกว่าความสุขของประธานาธิปดีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเห็นไหมเนี่ยความสุขของรัฐมนตรีต้องมีแหวนเพชรต้องมีนาฬิกาโลเล็กล้วก็ถูกชาวบ้านก็าคอรหาดู ความสุขแบบความสงบนี้ไม่มีใครมาคอลหาไม่มีใครมาอิจฉาหรือเสยไม่มีใครมาตรวจสอบว่าหาได้ยังไงถ้ามีแหวนเพชรมีนาฬิกาโลหะเหล็กเดี๋ยวเขาต้องตรวจสอบแล้วเอามาได้ยังไงเงินเดือนแค่นี้ทำไมใช้ของราคาขนาดนี้ได้ยังไงชอลาดบังหลวงหรือเปล่าขอรับชั่นหรือเปล่า แทนที่จะสุขกับเป็นทุกข์ไปมีสมบัติจะอวดเท่าหนหร่ก็ไม่ได้อวดก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีกแต่ความสงบนี่ไม่ต้องอวดเพราะมันมันอยู่ในใจเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงคนที่เขาไปบวชกนันนี่เขาเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นบางคนก็เป็นเศรษฐีบางคนก็เป็นเจ้าชาย พระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายเศรษฐีบางคนก็ไปบวชกันบวชแล้วพอได้พบกับความสงบก็อุทานออกมาว่าสุขหนาสุขหนาะผมไม่เคยพบกับความสุขแบบนี้มาก่อนเคยเป็นเศรษฐีเคยมีเงินเป็นล้านน้อยล้านพันล้านแต่มันไม่สุขเหมือนกับตอนที่มีความสงบเลยเนี่ยรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง รถแท่งธรรมก็คือรถของความสงบนงี่ฉะนั้นอย่าให้อะไรมันมาหลอกเราว่าโอยเราเก่งเราหาเงินได้เก่งมันกําลังหลอกให้เราหาความทุกข์หาความเครียดยิ่งตําแหน่งยิ่งสูงความเครียดยิ่งมากเป็นผู้จัดการกับเป็นลูกน้องเนี่ยต่างกันไม่นลูกน้องก็เพียงแต่รอรับคําสั่งเท่านั้นผู้จัดการนี้ต้องนั่งเครียดว่าจะต้องทําอะไรกับใครอย่างไรเอ มีลูกน้องต้องหลายคนมีงานต้องหลายอย่างยิ่งต้องคอยควบคุมแล้วถ้าไม่ได้ไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้เดี๋ยวก็เครียดอีกอยิ่งมีตำแหน่งสูงนี่ความเครียดยิง่งมากสังเกตไหมคนที่เป็นผู้บริหารนี่ผมจะงอกเร็วหนังจะเหี่ยวยน่น ดูพวกที่เป็น เ, ป น, น, นเวลาเป็นตอนต้นเวลาไปเป็นนายกใหม่ๆนี่ผมยังดาอยู่พอเป็นไปเป็นไปสักสองสามปีนี่ผมขาวหน้าค่ำเข่งทุกวันเจอแต่คนถามปัญหาอยู่เรื <c oughs> ่อยเครียดกับการตอบปัญหาของคนที่เขาถามเออแล้วพอพ้นตำแหน่งไปไม่กี่ปีนี่กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาใหม่แล้วเราต้องทำยังไงละ่ะคะบัญชีหน้าที่การงานก็ <c oughs> นอย่าโลภมากเลย กอย่าไปทําทํามากเลก็เปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่เลยเปลี่ยนจากผู้จัดการมาเป็นลูกน้องเลยจำไหมอ่าขอลาออกจากตําแหน่งขอเปลี่ยนจากอ่หัวหน้ามาเป็นลูกน้องอมันก็จะได้ไม่เครียดไงอ่ามันก็มีเท่านี้แหละปัญหาก็คือเราไม่ยอมเลยเราอยากจะได้เป็นหัวหน้าอยากจะได้รายได้เยอะ มันก็ต้องเครียดมันเป็นอย่างนี้สัจธรรมความจริงถ้าเราไม่อยากเครียดก็ไปเป็นลูกน้องแทนสลับเปลี่ยนตำแหน่งกันบอกให้ลูกน้องก็ไปเป็นหัวหน้าแล้วเรากลับมาเป็นลูกน้องอก็วิธีหนึ่งก็คือพยายามลดค่าใช้จ่ายลงลดค่าใช้จ่ายลงแล้วต่อไปเราก็จะสามารถทำงานแบบไม่เครียดได้ทำงานแบบ ส่วนตัวทําคนเดียวขายเครื่องสำอางขายประกันภัยะขายอะไรอย่างนี้วันไหนขยันนึกอยากจะขายก็ไปขายวันไหนขี้เกยียจก็ไม่ต้องขายไม่เครียดแต่เราต้องใช้เงินน้อยๆใช้เท่าที่จําเป็นเสื้อผ้านี้ต้องไม่ต้องพอแล้วถ้ามีพอแล้วก็ไม่ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่อีกแล้วะ บ้านก็มีอยู่แล้วก็มีแต่จ่ายค่าน้าค่าไฟหรือจ่ายค่าเช่าบ้านเท่านั้นเองหลายจ่ายจะน้อยมากหลายจ่ายที่ต้องใช้ประจำก็มีค่าอาหารค่าน้าค่าไฟทางสมัยนี้ก็ค่าโทรศัพท์มือถือค่าเน็ตค่าอะไรเนี่ยแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเครียดกับการไปหาเงิน ทำงานแบบสบายๆแล้วเราจะได้มีเวลามาลดความเครียดด้วยการควบคุมความอยากความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเครียดกันมไม่ใช่อะไร อ, อยากแล้วมันเครียดพออยากแล้วมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วหดเหยีดตำคานใจ ว, ว้าเหวเศร้าซ้อยงอยเหงาต้องไปทําตามความเครียดเหมือนถึงจะหายนะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยพออยากจะสูบบุหรี่นะเป็นไงอยู่เฉยเฉยได้นะไม่ได้หงุดหงิดนาคาญใจนะคนที่กินเหล้าเนี่ยพออยากกินเหล้าเนี่ยหงุดหงิดนำขาดใจขึ้นมาคนที่ชอบเที่ยวเนะี่ยพออยากจะเที่ยวก็หงุดหงิดนคนที่ชอบช้อปปิ้งก็เหมือนกันนะ พอมันติดแล้วมันเป็นเหมือนติดยาเสพติดนามันก็เครียดมันก็เลยบังคับให้เราต้องไปเครียดกับการหาเงินหาทองกับการไปทำงานถ้าอยากทำงานได้เงินเยอะๆก็ต้องไปมีตำแหน่งสูงๆยิ่ยงสูงก็ยิ่ยงเครียดใหญ่ <c oughs> สรุปแล้วคือ ถ้าไปปล่อยให้ความอยากเป็นตัวนำชีวิตเรามันก็จะนำเราไปสู่ความเครียดทั้งหลายคนจรจาเขาถึงไม่ให้เอาความอยากมาเป็นตัวนำเขาเอาความไม่อยากมาเป็นตัวนำไม่อยากได้เงินได้ทองไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นอยากได้เพียงอย่างเดียวคือความสงบความไม่มีความเครียด<ม>อยู่ที่ความสงบีง จะไม่เครียดก็ต้องหยุดความอยากให้ได้จะหยุดความอยากก็ต้องสร้างสติขึ้นมาสร้างธรรมะขึ้นมาถ้ามีสติก็จะควบคุมความเครียดได้แล้วถ้าอยากจะกำจัดมันอย่างถาวรก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าความเครียดของเราก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองถ้าไม่อยากจะเครียดก็ต้องตัดความอยากไปให้หมดอยากอะไรก็ตัดมันไปให้หมดแล้วใจก็จะไม่เครียด เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เปนเหมือนพวกเราท่านก็เคยเครียดเป็นเจ้าชายที่ว่าไม่เครียดเนเจ้าชายก็เครียดเนเจ้าชายก็ต้องคอยระมัดระวังตัวเองอยู่เผ่อเดี๋ยวคนอื่นก็มาโปรงพะชนได้มีเพราะต้องมีคนก็อยากจะได้ของของเราอยากจะได้สิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเขาฆ่าเราได้ก็เขาก็อาจจะได้สิ่งที่เรามีอยู่ไป มันก็เครียดล่ะยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งต้องมีองค์คารักษ์ให้มมีคอยอรอปอคอยเฝ้าดูแลปกป้องรักษาพอไปบวชเลยไม่ต้องมีอรอปอเลยอยู่คนเดียวสบายนอนย่าเงี้เวลานอนก็ต้องระวังหลับๆตื่นๆยิ่งมีมากยิ่งเครียดมาก ยิ่งสูงยิ่งเคียดมากยิ่งใหญ่ยิ่งเครียดมากเพราะคนจะจ้องเอาสิ่งที่เรามีอยากได้ของที่เรามีอยากจะได้ตาแหน่งที่เรามีใช่ไหมใใครๆก็อยากจะเป็นนายกกันอย่งนั้นเนี่ะก็คอยจ้องคอยหาเวทีกาจัดนายกคนปัจจุบันนี้ให้ได้เพื่อจะได้ขึ้นไปกันใช่เนี่ยกันย่างกันแข่งกัน มันก็เลยเคยรียดแต่ไม่มีใครมาเครียดกับการเป็นขอทานเนี่ยไม่มีใครมาแย่งขอเป็นขอทาน่างเนี้ย <S <S ไม่มีใครมาแย่งเป็นพระกันเนี่ยเป็นพระแสานจะสบายกับไม่มาแย่งเป็นกันข้าวก็ฟรีบ้านก็ฟีเสื้อผ้าก็ฟรียารักษาโรค ก, ก็ฟรีฟรีทุกอย่างกับไม่มีใครมามาแย่งกันของดีกับไม่ชอบชอบของเครียดกัน ชอบลาบยศสรรเสริญสุขกันนะถ้ามีปัญญาเราจะเห็นว่าการทำตามความอยากนี้การให้ความอยากเป็นผู้นำชีวิตเราเนี้ยจะพาเราไปสู่ความทุกข์ความเครียดต่างๆถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่เครียดไม่มีอะไรมันไม่มีความอยากได้อะไรมันก็ไม่ต้องไปหามาละอยู่เฉยๆก็มีความสุข ทำใจให้สงบทำใจให้ไม่มีความอยากใจก็จะสงบแล้วก็มีความสุ ข, สขนันะการเขียนหนังสือมหาเศรษฐีที่แท้จริงก็คือผู้ที่ไม่มีความอยากแล้วแต่ยังมีความอยากอยู่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเศรษฐีจริงมีร้อยล้านยังอยากได้เป็นพันล้านนีน่ก็ยังถือว่ายังไม่เป็นเศรษฐียังไม่รวยไม่พอ เศรษฐีร้อยล้านยังไม่พอต้องเป็นพันล้านพอได้พันล้านก็ยังไม่พออยากจะได้หมื่นล้านมีเท่าไหร่ก็ไม่พอพอได้เป็นเศรษฐีอันดับโลกก็ยังอยากจะเป็นเศรษฐีอันดับที่หนึ่งมันก็อยากไปเรื่อยๆมันก็ยังหิวอยู่แต่ถ้าเป็นเป็นขอทานได้เนี่แสดงว่าเป็นเศรษฐีแล้วไม่อยากได้อะไรเนี่ย ต้องขอทานจริงนะขอทานที่เป็นอยู่นี้ก็ยังยังไม่ ย, ย, ยังยังไม่ใช่เศรษฐีเพราะขอทานก็ยังอยากจะได้เงินได้ทองอยู่ต้องขอทานแบบพระพุทธเจ้าขอทานแบบพระอาหารหันต์นี่ยท่านไม่อยากได้อะไรจะถามอะไรนะแล้วถ้าเกิดแบบเรามีเยอะเราแบบมันจะแบบเราเอาไปทําในทางที่มันเป็นประโยชน์อย่างไปทําบุญไปทํากระถิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทางให้เราอ่ะ มาปฏิบัติภาวนาได้ง่ายขึ้นไหมคะก็ถูกต้องเลยเพราะว่าแทนที่เราจะเอาเงินที่เราเหลือกินเหลือใช้นี้ไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันเพราะซื้อแล้วมันจะติดมันจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าเราเอามาทําบุญทำทานมันจะทําให้เราหายหายอยากเที่ยวหายอยากใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วใจเราก็จะมีความสุข ที่เกิดจากการทาบุญเราก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของความสุขใจมันก็จะทำให้เราพลิกทางเดินใหม่จากการไปหาเงินหาทองจะได้มาหาบุญงินแต่ถ้าจะไปหาเงินหาทองเพื่อมาทาบุญนี้ก็ไม่ถูกที่ให้ทำบุญก็เพราะว่าเนื่องจากเราต้องหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ที่นี้เราหาเก่งนี่มันได้มากกว่าที่เราต้องใช้ เราก็แล้วเอาส่วนเกิดนี้เอาไปทำบุญอยาเอาส่วนเกินนี้ไปทำตามความอยากเพราะถ้าเอาไปทำตามความอยากมันจะอยากเพิ่มขึ้นไปแล้วมันจะทำให้เราต้องเครียดแล้วเราจะไม่มีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบได้ที่ทำบุญนี้เพื่อที่จะทำให้เราตัดความอยากต่างๆเช่นอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาเงินซื้อกระเป๋านี้ไปทำบุญแทนนี่ต่อไปกระเป๋าก็จะไม่อยากซื้อ รองเท้าก็จะไม่อยากซื้อเอแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องหาเงินมากอแล้วเราจะได้มีเวลามาอยู่ปฏิบัติธรรมได้อันนี้คือหน้าที่ของการใช้เงินใ น, นการทําบุญอทําบุญเพื่อเพื่อกําจัดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกกลิ่นกายที่เป็นเหมือนยาเสพติดไม่ได้เป็นอาหาร ของใจเป็นยาเสพติดของใจแต่การทำบุญนี่เป็นการซื้ออาหารให้กับใจพอเวลาทำบุญแล้ใจมันมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความสบายใจไม่หิวโหยไม่อยากเที่ยวไม่อยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอันนี้แหละคือหน้าที่ของการทำบุญเพื่อกำจัดความอยากที่จะใช้เงินไปในทางที่ผิดใช้เงินไปเพื่อซื้อสิ่งเสพติดทั้งหลายให้กับใจ แล้วเราก็จะไดะ้ไม่มีความกดดันที่จะต้องไปหาเงินมากจนเกินไปทำให้เรามีเวลาว่างมีเวลาที่จะได้มาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบได้วันนี้ก็คิดว่าช่วงแรกก็เลยเวลามาหน่อยนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามมา เวลาเรียสมาธิอะค่ะมาที่นี่มาสามครั้งแล้วทุกครั้งเนี่ยน้ําตาจะไหลตลอดเลยค่ะอ๋อมันก็เขาเรียกว่าปิติมั้งเวลาเกิดความเวลาจิตนแล้วมันสงบมันก็เกิดความปิติเกิดความสุขขึ้นมามันก็น้ําตาก็ไหลได้แต่น้ําตามันไหลได้ด้วยหลายเหตุผลนะมันไม่เหตุไม่เหมือนกันเสียใจก็น้ําตาก็ไหลได้ควันเข้าตาน้ําตาก็ไหลได้ เวลานั่งสมาธิจิตสงบมีปิติมันก็ไหลได้บางคนก็ขนลุกซาขึ้นมาอบางคนก็นี่น้ําตาไหลอิ่มเอิบใจถ้ า, ถาเนเสร็นั่งนั่งอยู่ขนลุกนี่เป็นไรนั่งสมาธิอ่านั่นแหะมันปิติไงกิดปิติขึ้นมาปิติเกิดความสุขขึ้นมาแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะครั้งต่อไปมันอาจจะไม่ไหลก็ได้ นั่งไปบ่อยๆเข้ามันชินนะมันก็จะไม่ไม่เกิดความรู้สึกมันจะเกิดในช่วงใหม่ๆเวลาเราได้สัมผัสกับความสุขใหม่ๆเนี่ยมันจะเพิ่มมันจะปิติแต่พอเราได้สัมผัส ม, สมันชินนะมันก็จะรู้สึกเฉยๆมันอ่ายันถ้าไม่เกิดก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอะขอใหเรานั่งเฉยๆนั่งสงบได้ก็ใช้ได้นะ เป้าหมายของการนั่งก็เพื่อที่จะหยุดความอยากต่างๆพอ<ม>หยุดแล้วผลของการหยุดก็คือจะทําให้ใจเราเบาใจเราสบายใจเรามีความสุขไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆพราะความสุขจากสิ่งต่างๆนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์เพราะมันจะเปลี่ยนไปไปหาความสุขกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวสิ่งนั้นเปลี่ยนไปก็ทุกข์กันมาพอไปหาความทุกข์จากสิ่งนั้นเดี๋ยวเกิดมันหายไปมันเสียไปก็ทุกข์ละ ว, วันนี้ก็อพอเอาแค่นี้ก่อนนะจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิชิต an ังปฏติตังตุมห um ังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาหะโสยะถามณีโชติ so ราโสยทธาสัพพิตโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนศีลิสานิจังวุธาปจจายโนจตารโหธมาวทันิอายุวโนสุขัง พาลังไหนเนี่ยมึงอยาถามอะไรต้องกระซิบหระว่างนะมันออนแออยู่นะไม่มีรอละไม่มีพ่อมาด้วยแค่อยากจะถามตรงนที่นี่มันออนแอรตลอดเลย ก็อยากเวลาเราคิดอันนี้เป็นความปรุงเป็นเรื่องเดียวก็ความคิดนี่แหละอคิดแล้วอ่าผิผิดจริงคะอ๋อไม่ไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมอะผิดที่เรานี้ไม่มีสติควบคุมความคิดเนี่ยเป้าหมายเราต้องการควบคุมความคิดอยู่ความคิดที่จะทําให้ใจเราไม่สบายกู่เยๆที่าทก็รู้เฉยๆไม่คิดอะไรเห็นอะไรก็เห็นเฉยๆไม่ได้ไปคิดวิพากษ์วิจาร์สิ่งที่เราเห็น ไม่ไม่เฉยมันมันจะเป็นการเล่าเรื่องของมันอย่างเงี้ยหนูเครียดตรงที่ว่าหนูรู้ว่าลหนูรู้ว่าหนูต้องทำยังไงแต่หนูทไม่ได้ทําไม่ได้ก็พยายามรักความจริงว่าทา ไ, ไ, ไม่ได้กระทำนั่นเองมันขีดงานมันเป็นปัญหากีเด็ดปัญหาไม่ถ้าเราทําไม่ได้ก็ก็หมายถึงถ้าสิ่งที่มันต้องทําแล้วทําไม่ได้ก็ต้องพยายามทําต่อไปไม่ถึงหนูไม่ถึงใจนะแอบฉันไม่ได้เกิดถ้าถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องพยายามทําต่อไป แสดงว่ากําลังที่จะทํำยังไม่พอเช่นสติไม่พอปัญญาไม่ทันก็ต้องพยายามสร้างสติสร้างปัญญาให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะทําได้เขามาจะลองทำได้ค่ะเดินเดไปคนก้ากลับมาทำงานก่อนนะคะก็ไปโคนกาวนี่ก็ไปสร้างสติเนี่ท่านอาจารย์บางทีหนูมีความรู้สึกว่าปัญญาเนี่ยว่า เรื่องความคิดนะคะทำยังไงถึงจะให้ปัญญาพัฒนาจากความคิดเน่ยก็ต้องเอามาใช้มันเด็กเวลาเช่นว่าเห็นว่าไม่เที่ยนไม่อยาไปเอามาเห็นว่าอะไรมคิดได้ว่าว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังแล้วแต่แต่ทำไม่ได้รู้สึกว่าปัญญาก็ก็ทําได้ค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าปัญญาหนูว่าพัฒนาไปสักทัานความคิดหรือยัง แค่มันดูเหมือ น, นก็จินตามายาปัญญามันยังไม่ถึงสุตติรนูจะต้องเดินไปทางไหนคะเดินไปทางสมาธิก่อนต้องไปทําจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วหนูจะข้ามขั้นสมาธิไปได้ไหมคะข้ามไม่ได้หรอกถ้าข้ามไปก็ปัญญาก็จะไม่เป็นภาวนามายาปัญญาจะเป็นจินตามายาปัญญาใช่ค่ะ ม, มันมีความรู้สึกเหมือนไม่มีกําลัง ม, มันไม่มีกําลังที่จะที่จะปล่อยวางได้โอเคมันจะทําให้ปัญญา มันกล้าแข็งที่จะพัฒนาขึ้นไปมันต้องอาศัยสมาธิใช่ตอนนี้มีปัญญาแล้วแต่เป็นแค่จินต์าใช่ค่ะรู้ว่ามืนเป็นแค่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนนแต่ยังไม่ยอมรับมั้งไงกิเลสเป็นที่อยู่ในใจมันมีกําลังมากกว่าสมาธิมันจะช่วยได้ใช่เพราะครับถ้าเราทําสมาธิเราจะตัดกําลังของกิเลสที่ต่อต้านบางครั้งลูกก็รู้สึกว่ากิเลสเหมือนน้อยลงอ่าต้องพยายามฝึกสมาธิให้มากๆ จนจิตรวมเป็นหนึ่งพอจิตรวมแล้วกิเลสจะไม่มีกําลังสู้เราแล้วมันก็จะทําให้เราไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายโดยที่ทําให้เราเดินไปถึงปัญญาขั้นสุดได้ได้ค่อยฝึกสมาธิมากๆในขณะที่หนูยังมีหน้าที่การงานก็ยากหน่อยเพราะต้องใช้เวลามากจิตถึงจะรวมเป็นสมาธิได้ต้องไปเข้าคอสอย่างหนูคนเนี้ยเขาจะไปทีละสิบวันอย่างเงี้ยแต่หนูว่าทาบ้านให้เป็น ก็ได้ก็ทำท่าที่เราทําไปได้ก่อนก็แล้วกันอ่าอ๋อเพราะมันยังมีหน้ที่ต่างใช่อถ้าอยากจะได้ก็ต้องก็ต้องตัดทุกอย่างไปหมดมันถึงจะได้อ๋อแล้วหนูจะต้องอบรมด้านสมาธิใช่ใช่สมาธิปัญญาเรามีกันหมดตลอดรู้กันทุกคนได้ยินได้ฟังทำหูฉีกันหมดละแต่ไม่มีกําลังที่จะเอามาใช้หยุดกิเลสได้ออื หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่มีกำลังสู้มันขาดสติสติไม่พอถ้ามีสติมีกำลังพอมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าปัญญาบอกว่าอยากไปทำตามความอยากเรารู้แล้วตอนนี้ความอยากเป็นตัวทำให้เราทุกข์แต่เราไม่มีกำลังหยุดมันเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีสติแเราต้องฝึกสติเพื่อให้เกิดสมาธิ พอได้สมาธิเราก็หยุดความอยากได้ ừ, พอเกิดความอยากเราก็หยุดมันได้อยากไม่แก่ก็หยุดมันได้พอผมหลอกจะไปย้อมผมก็ไม่ยอมย้อมมันก็ได้แล้วเราจะรู้เองใช่ไหมว่าเามีปัญญาขั้นใชอขั้นไหนเราจะรู้เองอเราหยุดีิเลสตัวไหนได้เราก็รู้ว่าเราก็ได้ขั้นนั้นแล้วอ่ะนะอย่าให้คนอื่นเขาเข้ามาอย่างเนื่อซื้อซีดีก็หยิบไปนะ อย่าลืมามือถือไปแเนี๋ยวคนชอบเอาของมาลืมไว้แล้วก็ไม่ไม่มาเอาเก็บไว้ต้องเป็นเดือนก็ไม่มีใครมาเอาเกินไปหรือแม่นตามั่งลืมอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวปั่บก็เลยขอถามนะคะการ ท, ที่หนูจะนั่งสมาธินี้ตั้งนมูนสามจดุนนดแค่ี้ะได้ไม่ตั้งก็ได้ไไดนั่งไปเลยก็ได้ไม่ต้องไหวค้ครูหรอกจะไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้เพราะฉะ้นหนูตับได้นะคะก าะนั่งปั๊บกับพูดโทรไปเลยก็ได้ถือว่าว่ายไม่ไม่ต้องมาตั้งน้โมก็ได้เดีย๋ยวนี้มีทาสามทางเลือกแล้วนะใครสะดวกทางไหนก็เอาได้สี่ทางเลือก Facebook, y o u t u b อิน s ตา g r a m แล้วก็วิธีออนไลน์แล้วก็ไลายลายจะเตือนไลายจะบอกเวลาให้จะเตือนเรื่องจะมีธรรมะสั้นๆให้ให้ดูได้อ่าน ได้ฟังใช่ไหมขณนะอยู่อินโดนีเซียก็ยังอสุส่ามาอยู่ที่หาที่เป็นที่สงบอย่างนี้หายากที่ไหนก็ไม่รู้หายากถ้าเป็นป่ามันก็เป็นป่าแบบไม่มีอะไรสนับสนุนก็อยู่ไม่ได้มันเป็นป่าแล้วมันก็ต้องมีที่อยู่ที่หลบแดดหลบฝนแล้วก็ต้องมีที่กินวัดป่าไม่มีครบทุกอย่าง ที่อื่นถ้ามีที่อยู่ที่กินก็ไม่มีป่าถ้ามีป่าก็ยังไม่ไม่เป็นที่อยู่ที่กินเนี่ยคนบางคนมาจากต่างประเทศเยอะมาไกลเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งกลับไปเป็นชาวแคนาดามาอยู่ได้ยี่สิบวันแล้วก็อันนี้มาทำงานอยู่ที่ฮ่องกงก็เลยบินมาวันหยุดพักผ่อนก็เลยมาปฏิบัติธรรมดีกว่าดีกว่าไปเที่ยว ได้ความสุขเยอะกว่าเหมือนที่แคนาดาหลวงพ่อวิทยังท่านจะบินไปทุกปีบางค่ะใช่ท่านไปเผยแผ่ที่นั่นได้ข่าวว่าท่านมีลูกศิษย์เยอะแถวแคลิฟร์เนียท่านไปไปอยู่ที่แคลแกฟอร์เนะียท่านคงไปหลายที่ได้ข่าวแล้วเขาก็ตามท่านมาแล้วท่านกลับมาเมืองไทยเขาก็มาขึ้นดอยอินทนนท์กับท่านนะ ไปทุดดองกับท่านอะเพราหลักสูตรของท่านพอเรียนจบแล้วต้องปฏิบัติต้องไปทุดงองไปขึ้นเขาไปขึ้นดอยอนท่านนอนกันแต่มันก็เป็นแบบทุดดองแบบแบบเด็กอแบบเด็กอ น, นุบาลอะทุดดองแบบต้อนตอนกันไปเป็นฝูงเล <laughs> ทุดดงยิสมัยหลวงปู่มั่นท่านไปคนเดียวเลทุดดองจริงต้องไปเดียว นี่ก็เป็นแต่ให้ไปสัมผัสรับรู้กับธรรมชาติกับป่ากับวิธีอยู่ป่าว่าเขาอยู่กันอย่างไรถ้าจะทุ่งลงจริงๆนี่มันต้องต้องไปอยู่เดิน ม, มาอยู่ตามตามวัดป่ า, านี้ก็เหมือนทุดงลงเหมือนกันที่นี่ทุกคนต้องลงเดินลงไปแต่เช้ามืดเพราะที่นี่ไม่มีอาหารต้องลงไปที่วัดแล้วก็ไปช่วยพระบบญทบาท ขับมาพักก็แบ่งอาหารที่ได้จากบินตบาตให้เขากินกันกินเสร็จก็บางคนก็เดินกลับขึ้นมาไปกลับก็เจ็ดกิโลลงไปสามสามกิโลครึ่งบางคนถ้าถ้าถ้ารอได้ก็จะมีรถพาขึ้นมาสง่งข้างบนนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำปับป่าน้ำก็ใส่น้ำฝนที่รองใส่แทงใช้กันแบบประหยัดประหยัด ถ้าต้องการใช้น้ำมากก็ต้องรอเวลาที่ลงไปที่ข้างล่างเวลาจะซักผ้าทำอะไรบางทีลองไปซักกันที่ข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมีน้ำป่าปามีไฟฟ้ามีเครื่องซักผ้ามีเครื่องปั่นผ้า <c oughs> ข้างบนนี้ที่คนชอบก็เพราะชอบความสงบวิเวกหาที่อย่างนี้ยาก ที่ไม่มีใครมารบกวนไม่มีรูปเสียงกลิ่นรถเสียแสงสีเสียงต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจถึงแม้จะอยู่ในบ้านคนเดียวรอบบ้านมันก็ยังบางทีพอออกไปเห็นปั๊บมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาล่ะก็ต้องพยายามบังคับตัวเองให้อยู่ในบ้านอย่าออกไปข้างนอกออปฏิบัติในบ้านใช่ไหม ออยู่ในอยู่ในห้องคอนโดเดินจงกลมในนั้นนั่งไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็เดินเนี่ยเอาไว้แค่นี้สู้กับความอยากให้นะความอยากที่จะออกไปเหมือนที่พระอาจารย์เคยปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งสอนว่าคือหนูก็ตั้งใจว่าจะตั้งใจจะทําสมาธิให้ดีก่อนนะเออเพื่อว่าจะได้มีกําลังสู้กงกติเลสถ้าเกิดว่ ได้ความสุขจากสมาธิที่อาจารย์เคยสอนเราก็จะไม่กลับไปทางโลกอีกแน่นอนถูกต้องอถ้าไม่ได้สมาธินี้มันไม่ไม่ได้ฐานไม่ได้กําลังอไม่ได้ความสุขทดแทนมันก็ต้องมาเความสุขแบบเดิมต่อไปถ้าเราได้ความสุขแบบใหม่แล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยความสุขแบบเก่าอายังต้องพยายามทำจิตให้สงบให้มากให้มันสงบได้ทั้งวันเลย <Okay. S 2> พอมันไม่สงบก็ต้องนั่งอ พอมันนั่งมันเมื่อยทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินแต่ก็คอยควบคุมใจอย่าให้คิดระวังมันจะหลอกเราให้ออกไปข้างนอกอยู่ด้ยเดี๋ยวต้องออกไปซื้อของซื้อครั้งเอามันซื้อครั้งแล้วอาทิตย์ไปเลยหรือจะได้ไม่ต้องออกไปบ่อยเออเดี๋ยวนี้เรามีตู้เย็นมีอะไรแล้วก็ซื้อมาแช่เก็บไว้ได้ยิ่งถ้าปฏิบัติทรรนี้ยิ่งกินไม่มากะออกินมื้อเดียว หา ก, กินเมื่อเดียวถ้ากินถ้าเป็นไปได้กินเมื่อเดียวแล้วไม่ต้องกินมากกินพออิ่มท้องก็พอถ้าวันไหนอยากจะมาอยู่บรรยากาศบรเขาก็แบบป่าก็มาอยู่ที่บ้านพักป่ า, ปามาได้จองได้อยู่ข้างได้เจ็ดวันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้มันจะเห็นความแตกต่างกันเนยอะบรรยากาศในป่ากับบรรยากาศในบ้านมันต่างกันะ พยายามเอาความสงบให้ได้ถ้าได้ความสงบแล้วทีนี้ก็ไปทางปัญญาได้แต่ยังไม่สงบนี้จิตมันไม่เอาปัญญามันจะเอาแต่รูปเสียงกลิ่นรสมันจะเอาแต่ความสุขทางตาหูจะหมวกลิ้นกายมันจะไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกจากการไปหาความสุขทางตาหูจะหมวกลิ้นกาย เห็นบ้างแต่ว่าสู้มันไม่ได้อ่า <laughs> เพราะนะความสงบยังไม่พอต้องพยายามทำให้มากขึ้นสติยังไม่ยังไม่ต่อนีอ่ต้องพยายามไม่มีสติตลอดเวลาคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าให้คิดพอคิดก็บอกเผลอแล้วหึงกลับมาใหม่อ่คำถามทางบ้านคำถามก็คุณพาคินคัะ ผมปฏิบัติมาได้สักพักแล้วตอนนี้เริ่มไม่กลัวเจ็บกลัวตายแล้วครับแต่กลับเริ่มกลัวจากปฏิบัติไม่สําเร็จในชาตินี้ความกลัวตัวนี้เป็นกิเลสไหนครับเป็นก็อย่าไปสนใจมันปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าตายชาตินี้ก็ไปปฏิบัติต่อได้เพราะถ้าเราเริ่มปฏิบัติแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปอย่างพระโสดาบันนี้ถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่ไม่กลับไปเป็นปุถุชนอีกจะไม่กลับไปหาสิ่ง ที่เป็นปุตุชนหากันเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวขอเราทุกคนต้องตายขอให้กลัวว่าเราไม่มาปฏิบัติ ด, ดีกว่า ừ. อย่าไปกลัวว่าเราจะตายเพราะความตายนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ขอให้กลัวว่าเราขี้เกียจ ด, ดีกว่ากลัวความขี้เกียจกลัวการที่เราไม่ปฏิบัติ ด, ดีกว่าคําถามจากคุณจิต ป, ประพัฒสอนค่ะเทวดาประจําตัวมีจริงไหมแล้วเราต้องอุปอุทิตบุญให้เขาด้วยไหมคะ คือเทวดานี้ก็เป็นคนที่ตายไปทำบุญแล้วก็ไปเป็นเทวดานี้เราก็อาจจะมีตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็อาจจะมีเพื่อนหรือเรามีความดีต่อคนนั้นคนนี้เป็นบุญเป็นคุณกับเขามาเขาก็เลยรักเราอยากจะตอบแทนบุญคุณเราเวลาเขาตายไปเขาไปเป็นเทวดาเขาอาจจะมาคอย ดูแลเราถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถดูแลกับให้กับเราได้โดยตรงนี้แต่เขาสามารถไปเข้าฝันได้บานที่เขาไปเข้าฝันถ้าเราขาดแคลนอะไรเดือดร้อนอะไรก็าอาจจะไปเข้าฝันกับคนที่สามารถที่จะมาช่วยเหลือเราได้แล้วคนนั้นเขาก็จะมาช่วยเหลือเราแทนเทวดาก็ได้อันนี้ไม่ไม่ใช่ทุกคนจะมีเทวดาประจําตัวเองคนที่จะมีเทวดาต้องมีคนที่ เขาเขาได้ทาคุณทำประโยชน์ให้มากแล้วคนนั้นเขามีความรู้สึกมีความสำนึกในบุญคุณเขาอยากจะตอบแทนบุญคุณพอดีเขาไปเป็นเทวดาเขามีความสามารถที่จะมาคอยดูแลเราเราขาดหรืออะไรนี่บางทีเขาก็จะไปเข้าฝันให้กับคนที่เขามีความสามารถที่จะมาทำอะไรให้กับเราได้ อันนี้เขาเรียกว่าเทวดาเทพบรรดาเนี่ยเทพบรรดาเนถ้าเราอยากจะมีเทวดาของเราเราต้องทำความดีให้มากๆตามที่พระเจ้าบอกว่าอันนี้ส์ของการทำความดีจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่งถ้าเรามีความเมตตากับคนทุกคนกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เขารักเราชอบเรา เวลาที่เขาไปตายไปเป็นเทวดาเขาก็จะมาเป็นองค์คารักดูแลเรารแต่ถ้าเราเป็นคนไม่มีความเมตตาทำบาป ท, ทำกรรมนี้อย่าไปหาเทวดาเลยมีแต่มีแต่มาจะมาคอยผจนมากกว่าจะมีแต่เจ้ากรรมนายเวรมามาล้างมาผานคำถามจากคุณโอมิวันค่ะญาติที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านเสียชีวิตไปแล้ว ยังรู้สึกว่าเขายังวนเวียนอยู่ในบ้านแต่ น, น, นานๆก็หายไป น, น, นานๆก็กลับมาช่วงที่เขาหายไปเขามีความสุขอยู่ทุกข์คแล้วเราควรทําอย่างไรให้เขาเป็นสุขไม่เป็นทุกข์แค่ปกติเวลาทําบุญจัระลึกให้ผู้ที่เสียชีวิตค่ะอ๋อมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของเราคิดไปเองก็ได้ถ้าเป็นเขาเราต้องสามารถคุยกับเขาได้เหมือนกับเราคุยกันตอนนี้ะ ถ้าเรามีพลังจิตนี่เราสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณที่ตายไปได้ถ้าเขามาเราก็จะสามารถคุยกันได้ถามสารทุกขสุขดิบได้ถ้าเราเพียงแต่รู้สึกว่าเขามาเท่านั้นอันนี้อาจจะเป็นแค่ความคิดของเราเองความรู้สึกของเราเองถ้าจะเป็นจริงมันต้องคุยกันได้เขาต้องมาเล่าให้เราฟังว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นยกตัวอย่างห้องปู่มั่นเนี่ยคืนที่ท่านตายเนี่ยท่านสามารถเข้าไปบอก กับลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งคือแม่ชีแม่ชีคนนี้มีพลังจิตติดต่อกับคนตายได้พ อ, อคือนี่หลวงปูม่ม่นตายหลวงปูม่ม่นก็ไปติดต่อกับแม่ชีคนนี้บอกว่าไม่ต้องมาหาเราเพราะแม่ชีเขาเตรียมตัวจะไปเยี่ยมท่านในวันลงขึ้นท่านก็มาบอกว่าไม่ต้องไปนะเราตายแล้วอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นของจริง แต่ถ้าเป็นเพลงได้บบความรู้สึกว่าเขามาแล้วเขาเข้าไปอย่างงี้มันคล้ายๆก็รู้สึกได้นึกขึ้นมาได้คิดขึ้นมาได้ถ้าจะเป็นของจริงมันต้องคุยกันได้ต้องมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันกันพิสูจน์กันได้ถึงจะเรียกว่าเป็นของจริงยั้นเวลาเรามีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะให้พิสูจน์ให้มันยืนยันว่ามันเป็นจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแ Consort, ค่อุปทานความรู้สึกนึกคิดของเราขึ้นมาเท่านั้นเอง ถามสักคุณยุยงอยากทราบว่าการเข้าถึงโสดาปฏิมาศต่างกับโซดาปฏิผลอย่างไรครัอาจารย์ช่วยอธิบายและยกตัวอย่างได้เจ้าค่ะเออมักก็เหมือนกับนักเรียนที่ไปเรียนศึกษาปริญญาตีไงกำลังเรียนปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่นี้เรียวกว่ากำลังเจริญมกักพอเรียนจบได้รับปริญญาก็ได้ผลได้ปริญญาตีพอได้รับปริญญาตีก็เรียวกว่าได้ผลเวลาที่เรียนนี่เรียวกว่มามัก สดามากก็เหมือนว่เรียนเรื่องขันห้างไงเรียนให้เห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเอถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายเพราะเวลาเราเห็นร่างกายคนอื่นเราทุกข์ไหมทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของคนอื่นไอม ชั้นใดถ้าเราเห็นร่างกายของเราเหมือนกับเห็น ว, ว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราจะไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวาตายถ้าเราไม่กลัวอย่างแท้จริงเราพิสูจน์ได้มีความมั่นใจว่าไม่กลัวจริงๆเราก็ได้รับเป็นโสดาปฏิผลไปเป็นพระโสดาบันไปแต่ก่อนจะเป็นเราต้องมองให้เห็นว่าร่างกาย คิดเรตอนนี้เห็นว่าเป็นตัวเราของเรานี้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราให้ได้ต้องศึกษาด้วยการวิพากวิเคราะห์เช่นร่างกายนี้มันมาจากไหนมันมาจากพ่อกับแม่ใช่ไหอ ม, มันมาจากดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่มารวมกันแล้วก็มาต่อเติมมาเวลาออกมาจากท้องพ่อท้อง ออกมาจากท้องแม่ก็ต้องเติมดินน้ํานมไฟเข้าไปข้าวที่กินเข้าไปมันมาจากไหนถ้าไม่มาจากดินน้ําที่เราดื่มเข้าไปมันถ้ามันไม่เป็นธาตุน้ํามันจะเป็นธาตุอะไรเอลมที่เราหายใจเข้าไปมันเป็นธาตุอะไรเอความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายมันเป็นธาตุอะไรต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนี้เราถึงจะได้เห็นว่ามันเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ํานมไฟเอเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเท่านั้นเองเป็นอีกคนหนึ่ง เป็นเหมือนคนขับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เนี่ยนะี่คือการพิจารณาเรียกเป็นการเจริญมรรคศึกษาร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นมันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนเป็นธรรมชาติความเจ็บก็เป็นธรรมชาติของร่างกายที่มันต้องเจ็บนี่ถ้าเราเข้าใจแล้วต่อไปเราก็จะไม่ไม่ไปยุ่งกับร่างกายปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายได้ เหมือนกับเราปล่อยร่างกายของคนอื่นให้แก่ให้เจ็บให้ตายได้เราก็จะได้ผลขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาะร่างกายมีการเกิดก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาเราไปห้ามมันไม่ได้ ไปอยากให้มันแก่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเห็นอริยสัจสีเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอเราเห็นว่ามันเป็นมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็มีมรรคมีปัญญาขึ้นมาพอมีมรรคเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะดับความทุกข์ได้เเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าคําสอนพุทธเจ้านี้เป็นความจริงอริยสัจ ส, สี่นี้เป็นความจริงเ อ, อแล้วคนที่สอนก็ต้องมีจริงคือพระพุทธเจ้าแล้วคนที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่กําลังเจริญมรรคอยู่นี้เองผู้ที่ได้บรรลุผลจากการเจริญมรรคนี้ก็คือพระสงฆ์ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปออนี่คือ คำถามอีกสองสามคำถามคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายตามดูจิตนี่เป็นจินตามยัปัญญาหรือภาวานามยปัญญาและวิธีตามดูจิตไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมโดยที่จิตยังไม่สงบวิธีตามดูจิตแบบนี้จะมีกําลังสามารถตัดกิเลสขั้นสูงได้หรือไม่ครับไม่ได้เลยการดูจิตนี่ไม่ให้ตามดูการดูจิตเพื่อให้หยุดจิต ถ้าตามดูมันมันก็ไม่หยุดเลยมันก็คิดไปเรื่อยๆมันอยากอะไรก็อยากไปการตามดูจิตนี่ต้องดูเพื่อให้หยุดหยุดความอยากหยุดความคิดถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันถ้ามันอยากก็ต้องหยุดมันถึงจะถูกถ้าดูแล้วมันไม่หยุดนี่มันก็ไม่ถูกแต่มีคนเขาอ้างว่าถ้าดูแล้วมันจะหยุดได้ถ้าดูจิตพอเกิดความอยากมันก็จะหยุดความอยากได้ก็ลองทาดูจะหยุดได้หรือเปล่า เวลาอยากจะกินกาแฟนี่ถ้าไปกินก็แสดงว่าไม่ได้ดูจิตแล้วไปดูกาแฟแทนถ้าดูจิตอาจจะหยุดก็ได้กาลังดูว่าเรากาลังอยากกาแฟนะเราต้องหยุดอยากนะไม่ใช่ไปกินกาแฟถ้าอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นเรื่องการดูจิตนี่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะ เราไม่รู้นะคนที่เขาสอนเรื่องดูจิตเราไม่เราไม่เคยสอนให้ดูจิตเราสอนให้หยุดจิตหยุดความอยากหยุดด้วยสติอยูดด้วยปัญญาการเดินทางไปกราบวัดนั้นวัดนี้ใกล้ไกลไปมาหมดมีตังเติมน้ำมันเดินทางแต่เวลาไปถึงไม่ได้บริจาคไม่ได้ถวายอะไรสักอย่างแค่ไปกราบอย่างเดียวแล้วก็กลบับแบบนี้จะได้บุญไหมครับ ก็ไม่ได้ทำบุญมันจะได้บุญตรงไหนมันก็ได้แค่เดินทางไปแล้วเดินทางกลับถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องทำบุญเแต่เราการที่เราเอามาเงินมาใช้จ่ายกับการเดินทางนี่จะถือว่าเป็นบุญมันก็ไม่เชิงมันไม่ใช่เพราะมันอาจจะเป็นเรื่องของกิเลสก็ได้กิเลสมันอยู่บ้านมันเบื่อมันก็เลยอ้างไปวัดเพื่อมันจะได้นั่งขับรถไปไหนมาไหนได้แล้วมันจะเรียกว่าเป็นบุญก็คงไม่ใช่ ถ้าจะเป็นบุญก็ไม่ต้องไปละกดในมือถือโอนเงินไปเลยเอาเงินค่าน้ำมันนี่โอนเงินให้เข้ากับบัญชีวัดไปเลยงดีกว่าจะนี้จะได้บุญแน่นอนหมดแล้วแหละนี่ค่าคำถามสุดท้ายก็แล้วกันคำถามจากคุณกรอนทำไมเวลานั่งสมาธิไม่เคยนั่งได้ แต่เวลานอนรู้สึกสงบมากจะทําได้เจ้าคะ่ะแล้วรู้สึกเหมือนตัวลอยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อเวลานอนนี่มันเป็นเวลาที่จิตมันอยากจะพักด้วยแต่มันพักแบบไม่มีสติไงมันพักแบบไม่ได้เป็นสมาธิเนี่ยเวลาหลับบางทีมันก็ยังฝันอยู่มันยังคิดอยู่ได้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธินี่เพื่อหยุดความคิดนแต่เวลาการหลับนี่เป็นเป็นการหยุดสติไม่ใช่หยุดความคิดน เวลาเราหลับเพราะว่าเราไม่มีสติเราก็เลยหลับไปการการการไม่มีสตินี้มันง่ายกว่าการมีสติเข้าใจไหมเวลาที่นั่งนี่เราต้องใช้เราต้องสร้างสติขึ้นมามันยากการสร้างสตินี้มันยากการเสียสตินี้มันง่ายมันถึงหลับง่ายแต่เวลานั่งถึงยากเข้าใจไหยเพราะเพราะมันต่างกันเวลาหลับนี่มันเป็นการเสียสติแต่การเวลาการนั่งสมาธินี้เป็นการสร้างสติ มันถึงยากมันนั่งสมาธิจึงยากกว่าการนอนหลับเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ